ยี่สิบเจ็ดรูดักเซปในโรงแรมการมาถึง n la hotelo a l v e o คุณมีห้องว่างไหมคะ Ci vi ha v a liberan c a m r ดิฉันจองห้องแล้วค่ะมีเรเซอร์วิสชัมบรอนดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะมีอันโมอเอสทัสมลเลอร์ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะมีเบโซนัสอูนูลันชัมบรอนดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะมีเบโซนัสูอูลันชัมบรอน ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะโฮเกเี nocte l ตล่าแชมร์คอสตัสดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ m i ม h a t u s Chamron kun b a n ค u โ o ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ m i มิชัตุสแชมรอนคุนดูเชโ o ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ ชูบีพาบัสวีดิลาชามรนันที่นี่มีโรงรถไหมคะชูเอสตาสปาเรเกโยชิที่นี่มีตู้นิราภัยไหมคะชูเอสตาสมอนชรังโกชิติที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะชูเอสตาสเตเลฟกซิโลชิติดีด ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะบอ bon นี่เปนกสละชรอนนี่กุญแจห้องค่ะยนลชลลยนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะยนมีอกจรอบริการอาหารเช้ากี่โมงคะยนมอรตสมัตเ็นมันจะ บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะบริการอาหารเย็นกี่โมงคะ